ขอากาพุชาพระราตรายขอาการกระวะโครูบาอาจารย์ขันโลงพ่อเทียนาาพ่อคำเขียนขอกาลนิสการประจำทรงศิลป์พระเถระนิเถระเพื่อนศรธรรมิตรตขจรเริยพรแม่ชีอุบาสุคุบาศิกาที่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วาดาสุโตแห่งนี้ <c oughs> แต่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์าที่22ธันวาคมพุทธศักราช2555ตรงกับวัน ทุกท่านเนี่ยไปว่าจะเป็นเทศใดวัยใดมาร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แต่เป็นการเรียนรู้ที่ตรงไปที่การเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่ ใกล้ตัวเรามากที่สุดการศึกษาที่เราได้ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเปเรียนรู้เรื่องนอกตัวซึ่งก็มีประโยชน์่นในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแตการศึกษาหรือการเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจนี่ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่เราไม่ควรจะหลงลืมนะแต่เนื่องจากมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่บางทีเราก็ลืมไปแตบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะก็เลยทำให้เรารู้เรื่องข้างนอกตัวเยอะแยะนะแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่แตนะ่ยังมีความไม่สบายกายไม่สบายใจ ใจไม่ได้กับสิ่งที่เราพาดไม่ถึงกับสิ่งต่างๆที่อาจจะกระทบกระเทืยนใจทำให้เราไม่พอใจหรือถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกใจเราก็ทให้เราพอใจเพราะฉะนั้นชีวิตที่อยู่ในโลกที่ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ จมอยู่กับความไม่แน่นอนนะฮะทำให้เราต้องมีความทุกข์แบบหนักใจมีความเครียดหรืมีความกลัวในทิศต่างๆอย่างที่ข่าวสายออกมาว่าเาวานนี้เป็นวันสิ้นโลกแล้วก็ผ่านไปหลายคนก็ตกอกตกใจตืกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมา ตรง น, นี้เพราะว่าเราภัสนใจในเรื่องภายนอกไม่ได้มาสมนใจเรื่องภายในจริงๆความกลัวในสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าถือเป็นภัยที่แบบไม่เกิดขึ้นแต่พวเราเองทุกเมื่อเช้าวันเป็นองเห่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรได้พิจารณาควรได้สังเกตควรได้ดูอทุกๆวัน นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ่านะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกขนะ์ความที่เราไม่รู้อ่เนทะ่าทันความคิดความนึกต่างเปลี่ยนเป็นาอารมณ์อที่มันแสดงตัวออกมานะก็ทําให้เราหลงนะหลงสุขหลงทุกข์เนะข้าไปจมอยู่ในความพอใจไม่พอใจเข้าไปในความยินดียินร้าย นะสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการอย่างหนึ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้เราก็เข้าไปอยู่ในความสุขความทุกข์นั้นทนะมให้ชีวิตของเราสุขทุกนขะ์เป็นชีวิตที่ไม่ได้ไม่นอนนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ตรงนี้แหละนะเป็นสิ่ที่เจนเห็นว่าอาจจะต้องหันกลับมา เรียนรู้นะเรียองกายเรื่องใจที่มีอยู่กับตัวเราการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเรามีเครื่องมืออยู่แล้วนะก็คือความรู้สึกตัวหรือนะบางทีเราชอบเรียกกันว่าสติสัมปชัญญะนะแต่บางทีผู้ภาษาบาลีบางคนกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พูดถึงความรู้สึกตัวนี้ย คิดว่าทุกคนเข้าใจเป็นภาษาไทยไนี่เข้าใจได้ง่ายๆความรู้สึกตัวก็เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยจบเป็นจะต้องอาศัยรูปแบบวิธิการที่จะพัฒนาหรือปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นซึ่งในตาม สำหรับสำราก็ดีตามครูบาอาจารย์ในหลายท่านนะก็ได้บอกวิธีการหลายแบบหลายวิธีนะในการที่เราจะพลดความรู้สึกตัวขึ้นมาเช่ใช้ลมหายใจบ้างใช้คำบริกรรมบ้างนะวิธีการต่างๆนะซึ่งสำหรับที่วัดปาสุกโตเนี่ยนะก็มีวิธีการนะที่นามาใช้ ในการที่จะปลุกความนึกตัวนะก็คือการเจริญติกับการเคลื่อนไหวซึ่งวิธีการนี้หลวงพเทียนไดนะ้ค้นพบแล้วก็นำเสนอเนะมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะโดยท่านได้พยายามปรับปรุงดัดแปลงจากการฝึกกรรมฐานนะที่เรียกว่าไหวเนิ่งหรือติ่งนะี่ที่ ท่านได้ไปเรียนไปเรียนรู้มาแล้วก็ปรับปรุงให้มันเหมาะสมนะจากคนยุคปัจจุบันนะคนยุคปัจจุบันต้องมีการเคลื่อนการไหวการตื่นไม่ใช่การหลับเพราะฉะนั้นการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวเนี่ยนะเราก็จะเน้นตรงที่ไม่นั่งหลับตาไม่ต้องใช้คาบริกรรมเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติไม่ช้าไม่เร็ว มาะพ็ดีอาศัยการเคลืนไหวของกายเป็นการปลุกหรือกระตุน้นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มีความฉับไวยิ่งขึ้นการกระตุน้นมือนี้หรือการปลุกความรู้สึกตัวอย่างนี้จะทําให้เราปลอกเอาความรู้สึกตัวกลับมาหลังจากที่ชีวิตของเราให้เอาใจไปอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกมากมาย กับโลกกับสังคมกับเพื่อนฝูงกับคนอื่นๆกับสิ่ต่างๆที่เป็นวัตถุภายนอกการที่เรามาทำการเคลื่อนไหวเนะคยทาความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนะี่ยก็เป็นการเรียกเอาความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้เป็นคนที่มีความรู้สึกตัวอยู่ บ, บ่อยๆในอินเตอร์เน็ต อิรยบทที่เราทากันเน้นส่วนใหญ่ก็คือการที่สร้างจังหวะนะ14จังหวะแลวการเดบนชมกลมนะ น, นี้เป็นรูปแบบที่นะใช้เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไปดูในพ <c oughs> รนะไตรปิฎกก็จะพูดถึงเอาไว้ทางอิริยบถด้วยนะการเคลื่อนการไหวการคูมือเยียบมือออกไป นะการเดินจงกลการนุ่งห่มการขบฉันนะการดื่มอันะนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะทำได้หี่แม้แต่การเข้าห้องน้ำถ่ายอุจระปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัวนะก็สามารถจะทำได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่เหมาะมากนะกับคนในยุคปัจจุบัน ที่เราจะต้องเคลื่อนไหวทำทวกิจกรรมต่างๆอย่างไรก็ตามการเจริญติในร่วงต้นนั้นสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ต้องอาศัยยุบแบบอนะก็คือการสร้างจังหวะการเดินชงกลนะคนที่สึกไปแล้วพอที่จะมีพื้นฐานนะก็พยายามที่จะสังเกต หรือว่าเจตนาใส่ใจกับความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจำวันในกิจกรรมต่างๆนะที่เกิดขึ้นนอกจากการทำในรูปแบบแลบบ้วตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันมีความต่อเนื่องมีความชัดเจนแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยนะมีสติมีสัมปชัญญนะได้ต่อเนื่องกัน การเจริญติาตามแนวการเจริญติดแ บ, บเคลื่อนไหวนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆให้ได้เรื่อยๆความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราพัฒนาความรู้สึกตัวเข้าไปในส่วนที่มันละเอียดขึ้นที่จะเป็นความรู้สึก ตกทุกข์พอใจไม่พอใจนะรวมไปจนถึงความคิดที่มันจับไวมันว่องไวรวมถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อตาไปกระทบรูปหูได้ยินเสียงนะดินดิ้นลดกายสัมผัสหรือแม้แต่ใจนึดคิด น, นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรา เติหรือทําความรู้สึกตัวจากกายที่เคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานต่อเพราะฉะนั้นคนที่ทุกเจริญติเนี่ยเ้ามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวได้บ่อยๆนะมันจะเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาเป็นนิสัยอย่างความรู้สึกตัวแต่ก่อนนั้นเราอาจจะมีชีวิตนะที่ทําอะไรไปตามความเคยชินนะตามความพอใจนะหรือว่า ตามความเพลิดเพลินสนุกษนาแซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำไปตามอารมณ์หรือทำไปตามความคิดเป็นนิสัยแห่งความไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรามาจเจริญสติบ่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินตรงนี้ก็จะเกิด น, นิสัยแห่งความรู้สึกตัวขึ้นมานิสัยแห่งความรู้สึกตัวนี้เองจะเป็นเครื่องมือ จะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นความจริงาที่แสดงขึ้นมาในเบื้องต้นนั้นส่วนใหญ่เราก็จะพบกับสิ่งที่พอใจบ้างในพอใจบ้างนะที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็ได้นะเป็นทุกข์อริยสัจ นะเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเนะฉพาะนนหน้าเราจริงๆเมื่อเราเทุกข์แล้วนะมันก็จะทนไม่ได้หรอกนะที่จะดูว่ามันเกิดจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้หรือหลงนะเข้าไปยึดไปถือนั่นเองนะเมื่อเราเห็นมันนี้แล้วนะเราก็จะเห็นภาวะที่มันมันปล่อยมันวางได้ มันไม่ได้ยึดไม่ได้ถือมันรู้สึกสบายมีโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เจนแล้วว่าวิธีการที่เราจะออกจากทุกนั้นเราจะทําได้อย่างไรเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เราออกจากทุกได้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยจะช่วยทําให้เราออกจากความคิดออกจากอารมณ์ นะออกจากสิ่งตา่างๆนะที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเส่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลมานะจากการที่เราจเจริญตินะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะอย่างต่อเนื่องแล้วนกะ็สนาะมารถที่จะเห็นความจริงได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงอาการเป็นเพียงธรรมะธรรมชาติแตนะ่ที่มันเกิดขึ้นเพื่อใดก็ตาม ที่เราหลงเราไปยึดไปถือมันก็จะหนักอ่านะก็จะรู้สึกขึ้นมาแต่แล้วมันก็ต้องปล่อยต้งหวางไปยึดไปถือไปจับไปยึดออกมาไม่ได้นะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกับปัญฌาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้พบนะจากการที่เราได้จเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนะแล้วก็ สังเกตเกิดขึ้นบ่อยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะรู้ความจริงตรงนี้ได้ชีวิตของเราก็จะดาเนินไปด้วยสติสัมปชัญญะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เราจะทำเฉพาะหน้าหรือรเป็นหน้าที่เราก็จะทำด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้ไปทำตามอารมณ์ไม่ได้ไปามตามความลึกคิดที่ เราไม่ได้ตั้งใจนะเป็นความคิดลรุงแต่งนะแล้วมันก็มีการจัดระเบียบมันรู้ว่าควรจะคิดเรื่องอะไรนะเ่งเป็นเจตนาที่จะคิดแตนะ่ใช้ในการในงานนะแล้การคิดที่มีเจตนาเนี่ยนะเป็นความคิดที่เราใช้ในการสร้างสรรค์งานการต่างแต่เมื่องานเส็จนะเราก็หยุดคิดได้นะ และในเวลาเดียวกันความรู้สึกตัวเนี่ยอนะก็จะทําให้เรารู้เท่ากันความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะ่ะเป็นความคิดปรุงแต่งนะที่มันจุกจิกขึ้นมาซึ่งในชีวิตประจําวันของเราส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้เคยฝึกไม่ได้เคยเจริญติเนี่ยนะจะอยู่จะอยู่ใต้อนนํานาจของความคิดปรุงแต่งเหล่า น, นี้นะ่ะคิดสึกคิดจิกคิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะ่ะ คิดแล้วก็ทำให้เราตกหนักใจทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าทำให้เราสุขอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้มีความรู้สึกตัวห <c oughs> ไม่ได้แสดงตินั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตอ่านะที่เป็นมาตรฐานและเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรามี จิตใจที่เป็นปกติได้ก็คือชีวิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอสิ่งนี้เนี่ยน่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคนทุกคนและในโอกาสปีใหม่นี้เราหน่าจะเป็นเราน่าจะถือว่าสิ่งเนี้ยเป็นของขวัญอันวิเศษแต่ที่เราน่าจะมอบให้กับตัวเราเอง มากว่าที่จะไปเรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆนำมาเป็นของควัญ <c oughs> ของการนัสงศพนี้ก็คือความิสเปลนั่นเองนะที่เรามาศึกกันที่รัฐปาสุกเทวนี้แตนะ่บางคนก็พอที่จะจับได้พอที่จะเห็นพอที่จะพึ่งตัวเองได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่าพึ่งดีใจไป แล้วพอเรารู้แล้วเราก็ใจแล้วเราใช้ได้แล้วเราขึ่นตัวเองได้แล้วสิ่งที่จะทดสอบหรือบอกให้เรารู้ว่าเรารู้จริงหรือไม่ก็คือเราจะต้องไปใช้ชีวิตในโลกไปกระทบสัมผัสโล่แล้วจิตใจเราเป็นยังไงความรู้สึกตัวเราใช้ได้ไหมแต่อันนั้นน่าจะเป็นตัวต่อแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราคาดไม่ถึงเราทาใจได้ไหม เรามีจิตใจที่ปกติได้ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกว่าสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวที่เราฝึกมานั้นมันใช้ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาเยี่ที่วัดป่าสุขกระโจนสภาพแวดล้อมมันเอื้อประโยชน์อให้เราสามารถที่จะฝึกที่จะเจริญสติได้อย่างเป็นที่อย่างต่อเนื่องและเมื่อเรากลับไปที่บ้านเราก็อย่าลืม เราที่จะทําอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบาะชีวิตของเราต่อไปนี้จะเป็นชีวิตแห่งความรสษเตอร์ไม่ใช่ชีวิตแห่งความเลืนตัวแต่ทนะังโลกปัจจุบันนี้นะการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆแตนะ่ทําให้เราเลื่ตัวได้มากกว่ารู้ตัวนะยิ่งใกล้เทศกาลต่างๆเหล่านี้ เทศ ก, กาลเหล่านี้เนี่ยอส่วนใหญ่ก็มุ่งสนุกสนานซึ่งน่าสังเกตเหมือนกันว่าเป็นเทศ ก, กาลที่ส่งเสริมให้คนส่วนใหญ่เนี่ยรวยตัวนะหลงตัวถ้าเป็นส่วนใหญ่น้ยมากที่จะเป็นเทศ ก, กาลเนความรู้สึกตัวอ่าไม่เคยมีแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราได้มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกันแต่ก็คงจะช่วยสนับสนุน ให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจโดยใช้ความดิ้สึกตัวเป็นเครื่องมือสำคัญถ้า่เราศึกษาไปแล้วฝึกไปแล้วแ่ก็พยายามทําให้ต่อเ น, นื่องในชีวิตประจาวันในแต่ละวันนั้นเราทานอาหารสามเวลาเป็นอาหารกายมีกี่เวลาที่เราให้อาหารใจ แน่ก็คือการเจริญตินะมีบ้างแลยนะนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันเราควรจะจัดสรรเวลาให้กับเรื่องพวกนี้อย่าหลงลืมเรื่องพวกนี้เพราะตรงนี้ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่จะบำรุงเลี้ยงจิตใจของเราคนเรามีทั้งกายมีทั้งใจเราบำรุงเลี้ยงแต่กายแต่เราหลงลืมใจแต่ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญใงใจ แตเพราะนนตรง น, น, นี้ก็เป็นส่วนสําคัานที่อยากจะเชิญชวนพวกเรามาให้อ่านใจด้วยการเจริญสิฏฐิด้วยความมิตรตัวอย่างต่อเ น, นื่องต่อไปะเมื่อเรากลับไปที่บ้านแล้วไปที่สังคมที่เราเคยอยู่แล้วก็จะเลยลเอาสิ่งนี้ไปด้วยและเป็นของขวัญที่เราจะให้กับตัวเราเองนะนะในแง่ในเทศกาลปีใหม่นี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะฝากเอาไว้ถ้ายในเมื่อเรามีความรู้สึกตื่นเต้นในการเจริญสิอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้ก็จะทาให้ชีวิของเรานั้นเป็นปกติสุขแล้วก็ทกาํางานทํางานได้อย่างเป็นที่เป็นกําลังแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ตัดคนในครอบครัวตับสังคมกัดงานที่เราดูแตัดประเทศชาติตาดแม้ตัดโลก ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดต้นๆที่สําคัญที่จะทำให้โลกที่ร้องร่วง น, นะที่ไม่ได้มีความสงบเท่าไหร่นะได้มีความเย็นขึ้นนะมีสันติสุขมากขึ้นนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังกันเอาไว้นะเราไม่ต้องไปหวังให้คนอื่นนะก็จะทำไปในอย่าง น, น, น, น, นี้เราเริ่มต้นที่ตัวเราสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อคนเรามีสบสดในจิตใจแล้วก็จะเกิดให้เกิดก่อให้เกิดประสิทธิภาพในครอบครัวในสังคมในโลกต่อไปรวมจนถึงสิ่งรอบ้อบต่างๆพวกสิ่งสารล์ยตัดพวกพืชพรรณต่างๆก็จะเป็นอย่างเป็นปกติสุนันเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ปราจะฝากกันเอาไว้ในเช้าวันนี้ ในได้ที่สุดนี้แ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนใะจซึ่งป ร, งระกอบไปด้วยพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ติดผู้เบิกบานแลนะก็ติดปิติปรรัญญาที่มีในตัวเรานะพระธรรมก็คือความจริงนะที่แสดงที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะพระสงฆ์ก็คือการที่เรามาเจริญติ ด้วยการเจริญติที่เราได้ทำอย่างต่อเ น, นื่องจงเป็นพระวะปัจใจให้ทุกท่านาได้สัมผัสได้เห็นความจริงของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเรยนวันนี้โดยเท่า น, านั้นเปนเจริญพร